ของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและกับผู้ที่อยู่ร่วมกันธรรมะที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สองชนิดในโลกนี้มีทรัพย์อยู่สองชนิดด้วยกันทรัพย์ภายนอกและก็ทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอกนี้ก็คือทรัพย์ที่เราใช้กับร่างกายของเราเช่นเราไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะได้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายของเราซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคชนิดต่าง แล้วก็ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเห็นอะไรเราชอบเราอยากได้เราก็ซื้อมา mm. ได้ยินได้ฟังอะไรเราชอบเราก็ซื้อมา mm. อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ใช้ทรัพย์ภายนอกคือใช้เงินทอง ที่เราหามาได้ทรัพย์ภายนอกนี้ก็เป็นทรัพย์ชั่วคราวคือเราสามารถใช้ทรัพย์ภายนอกได้ตราบใดที่ร่างกายของเรายังมีชีวิตอยู่แต่พอร่างกายของเราตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์ภายนอกได้ต่อไป เหล่านี้ยังไม่ได้เหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหานี้คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้กับเราเราเป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นเป็นเป็นบ่าวของเราเป็นคนรับใช้เรา เราก็เลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่ไปนานๆเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายของเราพาเราไปหาความสุขต่างๆแต่ความสุขต่างๆที่ทางร่างกายหาให้กับเราได้นี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเช่นเดียวกัน เพราะว่าพอร่างกายตายไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายไปได้แต่ตัวเราคือใจเรานี้ยังอยู่ต่อไปยังอยู่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและสิ่งที่จะดูแลรัเลี้ยงดูใจของเรา ก็คือซับภายในซับภายนอกนี้มีไว้สาหรับดูแลร่างกายรั์ภายในนี้สำหรับดูแลจิตใจให้จิตใจของเรานี้มีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราก็จะมีความร่มเย็ยนเป็นสุดต่อไปได้ถ้าเรามีทรัพย์ภายในเลี้ยงดูเราดูแลเราเหมือนกับที่เรามีทรัพย์ภายนอกดูแลร่างกายดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างทรัพย์ภายในไปควบคู่กับการสร้างทรัพย์ภายนอกเพราะว่าเรามีชีวิตของเรานี้มีสองส่วนด้วยกัน มีร่างกายแล้วก็มีจิตใจร่างกายก็ต้องการทรัพย์ภายนอกจิตใจก็ต้องการทรัพย์ภายใน<ม>เราจึงต้องหาทรัพย์ทั้งสองชนิดให้กับร่างกายและให้กับจิตใจชีวิตของเราถึงจะมีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ มีความสุขทางกายและมีความสุขทางใจควบคู่ไปด้วยกันทรัพย์ภายในนี้เกิดขึ้นจากการที่เราทำบุญชนิดต่างๆบุญนี่แหละเป็นทรัพย์ภายในและบุญนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันทรัพย์ภายในนี้ก็มีหลายระดับด้วยกัน เหมือนทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็มีหลายระดับระดับแสนระดับล้านระดับร้อยล้านพันล้านนี่คือระดับของทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็มีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับที่หนึ่งก็คือมนุษยทรัพย์คือมนุษยทรัพย์ก็คือความเป็นมนุษย์ ก็เป็นรับอย่างหนึ่งแล้วก็สูงกว่ามากกว่าะระดับของมนุษย์รัพยบก็คือเทวซับซับของของเทวดาระดับเทวดาเราเรียกว่าเทวรั์แล้วสูงกว่าระดับของเทวดาก็มีเรียกว่าพรหมรับซั์ของพรหมแล้วก็สูงกว่าพรหมก็มีอริยทรั์ อันนี้เป็นทรัพย์ที่สูงสุดทรัพย์ของพระอริยสงสาวกและทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขที่มากที่สุดที่ใหญ่ที่สุดที่ถาวรที่สุดที่มั่นคงที่สุดนี่คือทรัพย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปและได้ทรงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราชาวพุทธ ผู้ที่มีศรัทธาความนุ่ม่ใสความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้นำเอาไปปฏิบัติตามกันเพื่อที่เราจะได้สร้างซับภายในที่เป็นซับที่ยั่งยืนถาวรที่จะทำให้เราถ้าเราได้ไปถึงท่านสูงสุดของซับภายในแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขภห้กับพวกเราเหมือนที่ยังเป็นอยู่ในขณะนี้สาเหตุที่พวกเรายังต้องมามีร่างกายกันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็เพราะว่าเรายังไม่มีทรัพย์ภายในในระดับของพระอริยเจ้าในระดับของพระอรหันต์ในระดับของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรายังไม่มีทรัพย์ ภายในในระดับพระพุทธเจ้าหรือระดับพระอาหารหันตสาวกเราก็ยังจะต้องกลับมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราไปอยู่เรื่อยๆเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าถาบใดาเรายังไม่ได้ไปถึงขั้น ทรัพย์ของพระอาหารหันทรัพย์ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถสะสมทรัพย์ภายในให้ถึงระดับของพระอาหารหันทร์ของพระพุทธเจ้าได้แล้วเราจะมีความสุขในใจของเราตลอดเวลาจนทําให้เรานี้ไม่จําเป็นที่จะต้อง มีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับเราเมื่อเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาเกิดเมื่อเราไม่มาเกิดเราก็จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับร่างกายติดต่อไปกา ร, ร, รสะสมท ร, ร, รภภภภัพย์ภายในจึงเป็นการสะสมทรัพย์ที่แท้จ ร, จ ร, จริงการสะสม ความสุขที่แท้จริงนะเป็นการกําจัดความทุกข์ที่แท้จริงให้หมดสิ้นไปจากใจเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับการสะสมทัพน์ภายในพอพอกับการสับสนจั ส, สมนทัพย์ภายนอกทัพน์ภายนอกนี้เราก็ควรจะมีเท่าที่จําเป็น คือมีทรัพย์ไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายมีปัจจัยสี่ให้ร่างกายอยู่ได้อย่างสุขสบายก็พอแล้วอย่าเอาเวลาทั้งหมดของเรานี้มาให้กับการหาทรัพย์ภายในเพียงทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเราไม่มีเวลาที่จะให้เราไปหาทรัพย์ภายในกันเพราะว่า ถ้าเราไม่หาทรัพย์ภายในให้กับใจใจของเราก็จะอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนอยู่อย่างหิวโหยอยู่อย่างมีความทุกข์ไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะมีทรัพย์ภายนอกเป็นร้อยล้านพันล้านก็ตามแต่ถ้าเราไม่หาทรัพย์ภายในให้กับใจของเราใจเรานี้จะเป็นเหมือนขอทาน จะเหมือนคนยากจนถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ใจของเรานี้ไม่มีทรัพย์ภายในเลยใจของเรานี้เพราะว่าเราไม่ได้ให้เวลากับใจนี้หาทรัพย์ภายในให้กับใจนี้นั่นเองดังนั้นวิธีการที่ถูกต้อง เราควรที่จะทำแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระอัหลังตัสสาวกทั้งหลายท่านก็ดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสี่ในรูปแบบของความมากน้อยสันโดษคือร่างกายนี้พอได้ปัจจัยสี่ที่พอเพียง ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราหรือเป็นของแพงๆก็สามารถที่จะเลี้ยงดูล่างกายได้รักน้อยก็คือใช้ของที่ถูกๆแต่มีประโยชน์สามารถถ้าใช้ประโยชน์กับการเลี้ยงดูล่างกายได้เช่นอาหารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ออาหารแพงๆมารับประทานอาหารถูกๆก็ เล่งดูร่างกายได้เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆก็ใช้แบบประหยัดใช้แบบของราคาถูกๆไม่แพงแต่ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเช่นเสื้อผ้านี้ก็มีไว้ใช้ปกปิดร่างกายปกป้องอากาศที่หนาวเย็นป้องกัน ภัยจากมแมลงสว์กัดต่อยต่างๆจะเป็นเสื้อผ้าราคาแพงๆหรือเป็นเสื้อผ้าราคาถูกๆมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันปกป้องดูแลรักษาร่างกายได้เหมือนกันเช่นเดียวกับอาหารอาหารแพงหรืออาหารถูกก็ทำให้ร่างกายอิ่มไม่ไม่มีความหิวได้เหมือนกันอาหารมีไว้ดับความหิวให้ความอิ่มกับร่างกาย จะเป็นอาหารราคาแพงแพงเมื่ออาหารราคาถูกถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันบ้านจะเป็นราคากี่ล้านก็ตามหรือจะเป็นบ้านเช่าเดือนละไม่กี่พันก็ตามมันก็ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายได้เหมือนกันคือให้มีที่หลบแดดหลบฝน หลบภัยต่างๆก็ใช้ได้แล้วยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันโรงพยาบาลที่ไปรักษาโรคก็เช่นเดียวกันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้โรงพยาบาลยารักษาโรคที่มีราคาแพงๆโรงพยาบาลธรรมดายาธรรมดาก็รักษาโรคภยครัยแค่เจ็บได้เหมือนกัน <c oughs> ถ้าจะตายก็ตายได้เหมือนกันไม่ว่าจะรักษาที่ไหน ถ้าถึงเวลาที่ร่างกายมันจะตายต่อให้ไปรักษาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกมันก็ตายได้เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปเพราะว่าต่อให้เราเลี้ยงดูร่างกายดีขนาดไหนก็ตา่างมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกัน mm hmm. เลี้ยงไม่ดีเลี้ยงแบบคน <c oughs> ยากคนจนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเลี้ยงแบบคนร่ำคนรวยก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีทรัพย์ภายนอกมากน้อยเท่าไหร่และการที่เราจะต้องใช้เวลาให้กับการหาทรัพย์ภายนอกนี้มากน้อยเท่าไหร่เราต้องหาเราต้องรู้จักแบ่งเวลา คือเราต้องมีเวลาให้กับการหาทรัพย์ภายนอกคือร่างกายและเราก็ต้องมีเวลาให้กับการหาทรัพย์ภายในด้วยไม่ใช่เอาแต่เวลามาหาแต่ทรัพย์ภายนอกเท่านั้นเองจนทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปหาทรัพย์ภายในกัน <c oughs> อย่างนี้เราก็จะขาดทุนเพราะว่าเราได้ทรัพย์ภายนอกมากเกินไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้มาทาให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตายอย่างใดมีทรัพย์กี่ร้อยล้านพันล้านร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันมีทรัพย์ไม่ไม่กี่ร้อยกี่พันร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแล้วเวลาร่างกายตายไปทรัพย์เหล่านี้ใจก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแ <c oughs> ม้แต่บาทเดียว <c oughs> เราจึงควรที่จะรู้จักแบ่งเวลา เพื่อเราจะได้มีเวลาให้กับการหาทรัพย์ทั้งทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์ทางร่างกายและทรัพย์ภายในคือทรัพย์ทางจิตใจอย่าให้การหาทรัพย์ภายนอกนั้นมาป้องกันหรือขีดขวางการสร้างทรัพย์ภายในของเราเช่นการจะทรัพย์ชนิดแรกที่เราจะต้องรักษากันไว้ก็คือมนุษยยทรัพย์ ตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้การเป็นมนุษย์นี้มันดีกว่าการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาอยู่ทุกข์ยากลาบากกว่าการเป็นมนุษย์นะนั้นการที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นมนุษย์ไปเสมอไปนะนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ห ร, หรือคุณสมบัติ ของของเป็นของการเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ได้หรือไม่การที่เราจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้นี้เราต้องมีศีลห้า <S <S เป็นเครื่องรักษา <S <S ถ้าเราขาดศีลห้าเมื่อไหร่นี้เราจะเสียคุณสมบัติของมนุษย์ไปแล้วก็จะไปสร้างคุณสมบัติของสัตว์เดรัจฉานแทนสังเกตดูนมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานต่างกันตรงไหน มนุษย์นี้เรารู้จักรักษาศีลเราพยายามรักษาศีลห้ากันไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆส่วนสัตว์เดราจฉานี้เขาจะต้องฆ่ากันเพื่ออยู่เพื่อการอยู่รอดสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเขาไม่มี ความรู้ว่าการฆ่านี้จะทําให้เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานกันแต่พวกเราเป็นมนุษย์เรารู้ว่าการฆ่ากาันการเบียดเบียนกันนี้เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ <c oughs> มนุษย์คนใดที่ทําการฆ่าผู้นี้จะถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว <c oughs> จะต้องถูกแยกตัวออกจากสังคมของมนุษย์ คือจับไปกักขังไว้ในคุกตารางนั่นเอง<ม>เหมือนกับเราจับขังสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อ<ม>ต่อชีวิตของมนุษย์ถ้าเกิดมีเสือสิงกระเทงราชนี่หนีออกมาจากป่ามาอยู่ในบ้านเมืองนี้จะไม่ปล่อยให้สิง ส, ส, งสารสัตว์เหล่านี้อยู่เพ่นพ่านไปโดยอิสระเพราะเรารู้ว่า ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องไปทำร้ายผยู้นั่นเองเราจึงต้องแยกตัวแยกพวกสัตว์เดรัจฉานไว้อยู่ในกรงกันถึงแม้จะเอาสัตว์สัตว์เดรัจฉานออกมาจากป่าเอามาไว้ในสวนสัตว์เราก็ยังต้องมีกรงไว้ขังหนึ่งเราจะไม่ปล่อยให้สัตว์เดรัจฉานนี้อยู่อย่างอิสระเพื่อที่จะปล่อยให้มันไปทำร้ายชีวิตของผู้นั่นเอง ไทยก็ตามที่ฆ่าผู้นี้จึงถือว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้ว<ม>ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้ว<ม>จึงต้องถูกแยกตัวออกจากสังคมของมนุษย์ถูกไปจับขังไปลงโทษแล้วก็ไปอบรมให้เห็นโทษของการที่ไปฆ่าผู้มาเป็นการกระทํำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานจะทำให้ไม่สามารถอยู่ในสังคมของมนุษย์ได้ ถ้าอยากจะอยู่ในสังคมของมนุษย์ก็ต้องปรับใจปรับตัวเองเลิกละเว้นจากการฆ่าฆ่าชีวิตของผู้เขาถึงจะปล่อยตัวออกมาให้อยู่อย่างมนุษย์ได้ต่อไปฉันใดใจของพวกเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจเราไม่มีศีลห้านี้ถือว่าใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเราเป็นเ็จสัตว์เดรัจฉาน หรือบางทีก็เป็นเปรตบางทีก็เป็นอัศุลกายบางทีก็เป็นสัตว์นรกผู้ที่ไม่ ไ, ไม่รักษาศี่ห้านี้จะไม่ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีหลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วถ้าทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทําบาปด้วยความหลงนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดตัวเรียกว่าสุลกายและถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านรก นี่หละคือที่ไปของของผู้ที่กระทำบาปสีลักษณะด้วยกันทำบาปด้วยความหลง<ม>ไปเป็นเดรัจฉาน<ม>ทำบาปด้วยความโลภไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความมาฆาตพยาบาทไปนรกนเราสามารถที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปในที่เหล่านี้ได้เพียงแค่รักษาสีห้าเท่านั้นเอง รักษาศีลห้าเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ทําบาปเวลาเราตายไปนี้เราจะไม่ไปอบายเราจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อนอแต่ถ้าเราทําบาปทํากรรมไว้เราก็จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อน มากน้อยก็อยู่ที่ว่านานหรือไม่นานก็อยู่ที่เราทำมากทำน้อยทำบาปมากเราก็จะต้องไปอยู่ในอบายนานทำบาปน้อยเราก็จะไปอยู่อบายไม่นานแล้วพอพ้นจากการใช้บาปแล้วเราก็ถึงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกับคนที่ไปติดคุกติดตารางโทษหนักโทษเบาถ้าโทษเบาก็ออกมาเร็วหน่อย ออกมาอยู่ในสังคมมนุษย์ต่อไปได้เร็วหน่อยถ้าโทษหนักก็อาจจะอยู่ไปนานหน่อย<ม>อยู่ตลอดชีวิตก็มีมถ้าเป็นโทษที่ร้ายแรงมากเขาปล่อยออกมาไม่ได้ปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปฆ่าผู้อ่<ม>ออีกอันนี้ก็คือลักษณะแบบเดียวกับใจของพวกเราทุกคนใจของพวกเรานี้จะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตเป็นนสูรกาย เป็นสัตว์นรกนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทําบาปหรือไม่ทําบาปอย่างเบื้องต้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้รักษาศีลห้ากันให้ดีพยายามรักษาศีลห้ากันให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มไม่ทําได้แล้วยิ่งดีใหญ่<ม>เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปอตกต่ําไปอยู่ในอบาย ตายไปเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่คือทรัพย์ระดับแรกเราเรียกว่ามนุษยสรัพย์คือการเป็นมนุษย์แล้วทรัพย์ที่เหนือกว่าการเป็นมนุษย์ก็มีเรียกว่าเทวทัพย์เทวทรัพย์ก็คือการได้เป็นเทวดาการเป็นเทวดาก็คือการได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆการที่เราจะเป็นเทวดาได้ นอกจากการที่เราต้องรักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไว้คือต้องรักษาศี่ห้าแล้วเราต้องมาทำบุญเพิ่มทำทานทำบุญทำทานเพิ่มอีกอย่างหนึง่งก็คือการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่บางทีเวลาเราทำอาหากินแล้ว เราได้มามากกว่าที่เราจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใช้ให้กับร่างกายของเราแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆตายไปเราก็เอาไปไม่ได้หรือเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นความสุขชั่วคราวที่ไม่มีผลกระทบต่อจิตไม่มีผลประโยชน์ต่อจิตใจของเราแต่อย่างใดเราก็ควรที่จะเอาเงินที่ เี๋้านี้เอามาทำบุญกันจะ ด, ดีกว่าทำบุญทำทานเอามาจะทำบุญกับใครนี้ก็สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัยเราชาบททำบุญแบบไหนเราชาตตอบแทนบุญคุณเราก็ทำบุญกับผู้มีพระคุณของเราเช่นบิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เ็ามีบุญคุณกับเรา ถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณเขาให้ข้าวของเงินทองต่างๆไปเช่นอาจจะให้ในโอกาสต่างๆเช่นในวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือวันอะไรสำคัญต่างๆ ห, หรือจะทำทุกวันก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญอย่างหนะึ่งทาบุญด้วยความกระตันยู่ตอบแทนบุญคุณผู้อื่น มาตอบแทนบุญคุณกับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาก็มาทำบุญที่วัดมาตอบแทนพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เอาความรู้ดีๆมามาแจกมาสอนพวกเราให้เรารู้จักผิดถูกดีชั่วให้เรารู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จกัจกนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงนี้และจะทำอย่างไร ให้เราได้ไปในสถานที่เหล่านั้นได้ถ้าเราเห็นพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราอยากจะตอบแทนพระคุณเราก็มาทําบุญที่วัดกันทําบุญถวายปัจจัยสี่ให้กับพระภิกษุสามเณรที่บวชอยู่ในอยู่ในพระพุทธศาสนาเพื่อที่พระภิกษุและสามเณรจะได้มีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายของท่านให้อยู่สุขสบาย เพื่อที่ท่านจะได้เอาร่างกายที่สุขสบายนี้ไปศึกษาลร่มเรียนพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเพื่อที่ต่อไปหลังจากที่ได้เรียนได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมแล้วจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์มาสั่งสอนพวกศรัทธาญาติโยมต่อไป ศรัทธาญาติโยมจําเป็นจะต้องพึ่งพระอาศัยพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะท่านจะได้สอนความจริงให้แก่ศรัทธาญาติโยมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้ศรัทธาญาติโยมนั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจตามลําดับต่อไป อันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนาถ้าเราทำบุญกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆจะใส่บาตรก็ได้จะถวายจีวรก็ได้จะถวายยารักษาโรค ก, ก็ได้จะช่วยสร้างกุติที่อยู่อาศัยก็ได้หรือบุญต่างๆที่มีในพระพุทธศาสนาแล้วแต่โอกาส เช่นตอนออกพรรษาก็จะมีบุญทอดกรถินกันเราก็ทําบุญทอดกรถินเวลาเรามีงานศพเราก็ไปทําบุญที่วัดไปทําบุญเพื่ออุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี่คือวิธีการทําบุญที่จะยกระดับจิตใจของพวกเราจากมนุษย์ใ ห, ให้ให้ขึ้นไปเป็นเทวดา <Yeah. S 1> เทวดานี้ก็มีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกัน เหมือนกับเศรษฐีเราก็มีแบ่งไว้เศรษฐีเงินหมื่นเศรษฐีเงินแสนเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินร้อยล้านพันล้าน <Yeah. S 1> อันนี้เทวดาก็มีหลายชั้นเทวดาที่มีความสุขมีทรัพย์ภายในมากก็จะมีความสุขมากก็จะอยู่ชั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับกันท่านแบ่งไว้ด้วยกันถึงหชั้นด้วยกันอยู่ที่การทำบุญทำทางของเรา ว่าเราทํามากทำน้อยถ้าเราทาหนึ่งในหกของท ร, รัพย์สินที่เรามีอยู่เราก็หนึ่งในหกเราก็ได้เป็นเทวดาชั้นที่หนึ่งถ้าเราทําบุญสละท ร, รัพย์สมบัติสองในหกส่วนที่เราของท ร, รัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เราก็จะเป็นเทวดาชั้นที่สองถ้าเราสละท ร, รัพย์สามในหกของเราคือครึ่งหนึ่ง ทำบุญครึ่งหนึ่งในบรรดาเงินทองที่เรามีอยู่แล้วแบ่งครึ่งหนึ่งไว้ให้กับการทําบุญเราก็จะได้ขั้นที่สามขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นที่หกถ้าเราสละทรัพย์ทั้งหมดเลยแล้วไปออกบวชนี้ก็ถือว่าเราได้เป็นเทวดาแล้วเทวดาชั้นสูงสุดคือชั้นที่หกเพราะเราไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วถ้าเราไปบวชเราก็จะได้ไป พ้อมที่จะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าเทวดาคือระดับพรหมทรัพและอริยทรัพตามลําดับต่อไปอนนี้คือขั้นที่หนึ่งคือมนุษยทัพรักษาศีลห้าแล้วก็แตมด้วยการทําบุญทําทานเราก็จะได้เทวดทัพนะการทําบุญทำทานนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินใช้ทองอย่างเดียวถึงจะได้บุญ ถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองเราก็ใช้ร่างกายของเรานี้ไปเป็นอาสาสมัครทำงานทำการอะไรให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรือ ก, กับผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้โดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทนไม่เรียกค่าจ้างเช่นไปทำงานเป็นกิจอาสาตัว อ, อย่างที่ทีมงานที่มาช่วยทำงานถ่ายทอดสดมาจัดสถานที่มาช่วยร้างห้องน้ำห้องท่ามาเตรียม เครื่องขยายเสียงอะไรต่างๆอหล น, นี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเป็นการยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาการทำบุญจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินใช้ทองเพียงอย่างเดียวใช้ใช้กำลังกายกำลังวาจาของเราก็ได้ถ้าเรามีความรู้เราก็ใช้ความรู้แบ่งความรู้สอนให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่คิดสตางค์ก็ได้ เช่นเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็สอนเด็กที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่เขาจะได้เรียนได้คะแนนดีขึ้นกว่าปกติเราก็สอนเขานโดยที่เราไม่คิดเงินทองกับเขานี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญได้เช่นเดียวกันเังการทำบุญนี้ไม่จาเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองเพียง อ, อย่างเดียวถึงจะทาบุญได้คนที่ไม่มีเงินทองแต่มีเวลาว่าง ก็สามารถเอาเวลาว่างนี้ไปทำประโยชน์ไปเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรมูลนิธิต่างๆก็ได้หรือคนที่มีวิชาความรู้ก็สามารถเอาความรู้นี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเป็นการยกกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาและจิตใจนี้จะเป็นเทวดาตั้งแต่ยัง ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังไม่ตายผลของบุญนี้มันเกิดขึ้นทันทีร่างกายถึงแม้ว่ายังจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจได้เป็นเทวดาขึ้นมาแล้วเพราะเกิดจากการกระทําบุญของเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําบาปนี้ถึงแม้ว่าเรามีร่างกายเป็นมนุษย์ก็ตามแต่จิตใจของเรานี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว จิตใจเราเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเนี่ยจิตใจของเราเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่เราทําไม่ต้องรอให้เวลาตายแล้วถึงค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็อยู่ที่ว่าทํามากทําน้อยทํามากก็จะเปลี่ยนมากทําน้อยก็จะเปลี่ยนน้อยแต่มันจะเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปของเราอั่งที่มี มีบทธรรมที่ที่ทรงตัดไว้ว่าการกระทําเป็นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ให้เป็นชนะให้เป็นชนิดต่างๆกรรมคือการกระทําบุญหรือบาปนี่กะทำจะจะแยกสัตว์โลกให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆให้เป็นเดรัจฉานบ้างให้เป็นเปรตบ้างให้เป็นนสุลกายบ้างให้เป็นสัตว์นรกบ้างให้เป็นมนุษย์บ้างให้เป็นเทพบ้างให้เป็นพรหมบ้าง ให้เป็นพระอริยบุคคลบ้างอยู่ที่การกระทำของใจนี่เองทำบุญก็จะยกระดับของใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับทำบาปก็จะยึดจิตใจให้ลงต่ำไปตามลำดับอ น, นี้คือเรื่องของการเรามาสร้างทรัพย์หรือมาสร้างสถานภาพของจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น การเป็นเทพนี้จะมีความสุขมากกว่าการเป็นมนุษย์เวลาเราเป็นมนุษย์นี้เราไม่ได้ทำบุญเราเพียงแต่รักษาศีลแต่ถ้าเรามาทำบุญด้วยนี่เราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราไปทำบุญแต่ละครั้งนี้ใจเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเวลาที่เราไม่ได้ทำบุญแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยจืดชืดแต่เวลาเราได้ทาบุญแล้วมันจะทาให้จิตใจเรามีความอิ่มเอิบ มีความปลื้มปิติมีความสุขนี่อันนี้แหละคือผลของบุญที่แปลงใจจากมนุษย์ให้ขึ้นมาเป็นเทพโดยที่ไม่ต้องรอให้ร่างกายตายก่อนถึงไปเกิดเป็นเทพคนเรามักจะถามกันว่าเวลาตายไปนี่เราไปเกิดทันทีหรือไม่มเราเป็นเราเป็นเราเกิดตั้งแต่เรายังไม่ตายเราเป็นเทพเราไปสวรรค์ตั้งแต่เรายังไม่ตาย เราไปอบายตั้งแต่เรายัางไม่ตายถ้าเราทำบาปทำกรรมนี้เราทำบาปเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาตายก่อนอันนี้คือเรื่องของใจของเรานี่ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราทำดีหรือทำทาบุญหรือทำบาปเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมอย่าทำกรรมอันใดไว้ ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้นทำบุญเราก็จะได้ไปเป็นเทพกันแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้เราก็ต้องมีการปฏิบัติหรือทำบุญเพิ่มอีกสองสองชนิดด้วยกันคือเราต้องรักษาเพิ่มเราต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้น อยากสินห้าเราต้องรักษาสินแปดถ้าเราอยากจะขึ้นไปเป็นพรหมแล้วก็รักษาสินแปดแล้วก็เราต้องไปฝึกนั่งสมาธิกันไ ป, ไปไปไหว้พระสวดมนต์ไปเจริญสติเดินจยงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้ใจก็จะเป็นพรหมขึ้นมาใจก็จะได้รับทรัพย์ของพรหมคือความความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสบลูกเสียงกลิ่นลดพวดเบพระของมนุษย์และของเทวดาอน<ม>นี้เป็นขั้นต่อไปถ้าสมมติว่าเราทาบุญทำทานได้แล้วเรามีความสุขมีทรัพย์ของเทพแล้วเรายังรู้สึกว่ายังไม่อิ่มไม่พอเราอยากจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องมาเปลี่ยน มามาเปลี่ยนเป็นพรหมมาซย์การจะทําเป็นพรหมมาซย์นี้เราก็ต้องมีการรักษาศีลแปลแล้วก็มีเวลาไปฝึกสมาธิซึ่งส่วนใหญ่สําหรับผู้ที่เริ่มต้ น, นก็จะใช้วันพระเป็นวันที่เราไปสร้างพรหมมารั์กันวันพระเราหยุดทํางานสมยนี้ถ้าวันพระของเราไม่ตรงกับวันหยุดทํางานเราก็เปลี่ยน เอาวันหยุดทำงานมาเป็นวันพระแทนก็ได้ <Okay. S 1> เพราะคาว่าวันพระนี้ก็คือวันหยุดทำงาน <Okay. S 1> หยุดทำงานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำมาหากินหาทรัพย์ภายนอกมาเลี้ยงร่างกายเรามีเวลาหยุดทำงานเราเอาเวลาหยุดทำงานจากการหาทรัพย์ภายนอกนี้ <Okay. S 1> มาให้กับการหาทรัพ ย, ย์ <Okay. S 1> าาภายในการหาทรัพย์ภายในในระดับของเทพนี้ เรืระดับของมนุษย์นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําวันหยุดทําง า, น เ, า, า, า น, นเราสามารถทําได้ทุกวันเช่นเราสามารถรักษาศีลห้าได้ทุกวันเราสามารถทําบุญทําทานได้ทุกวันฉะนั้นการที่จะรักษามนุษยทัพย์หรือเทวทรัพย์นี้เราไม่ต้องมีวันพิเศษก็ได้เราสามารถทําได้วันทํางานเราก็ทําบุญได้รสสักษาศีลห้าได้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ที่สูงกว่าทรัพย์ของมนุษย์ทรัพย์ของเทวดานี้เราต้องรักษาศีลแปดแล้วเราต้องมีเวลาไ ป, ไปฝึกสมาธิกันไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปเจริญสติเพื่อให้เกิดมีสติเพราะถ้าไม่มีสตินี้นั่งสมาธิก็จะไม่สงบสมาธินี้เป็นผลที่เกิดจากการมีสติ ก่อนที่เราจะมีมีสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนและการจะมีสติได้เราจะต้องมีเวลาที่เราจะเอามาเจริญสติกันซึ่งการจเจริญสตินี้ก็ต้องอยู่ในที่เงียบๆอยู่ที่ไม่มีใครมายุ่ง ม, มารบกวนใจเพราะว่าเราต้องการที่จะหยุดความคิดต่างๆถึงจะทำให้ใจสงบได้ ถ้าเราจเจริญสติไม่ไม่จเจริญสติหรือว่าเราอยู่ในที่ที่เราต้องใช้ความคิดนี้การจะการจ ะ, จะเจริญสติเพื่อหยุดความคิดนึ้นก็จะทำได้ยากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีวันที่ว่างจากการทำงานแล้วมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจเจริญสติต้องเป็นสถานที่ที่เรียกว่าสงบสงัดวิเวก เช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดป่าวัดเขาจะเป็นวัดที่เหมาะต่อการที่เราจะมาสร้างพรหมซยบกันเราจึงต้องมีวันหยุดมีวันพระกันเพื่อที่จะได้เอาเวลาของวันหยุดหรือวันพระนี้มาสร้างพรหมซยบกันถ้าเราไปทำงานนี้มันจะยากรักษาศีลแตดก็ยากแล้วก็การที่เราจะ เลนสติเพื่อคอยควบคุมความคิดมาให้ใจคิดก็ทําไม่ได้เพราะเวลาเราทํางานเราก็ต้องใช้ความคิดกันคิดเรื่องงานเรื่องการคิดและเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะไม่มีวันที่จะมีสติเพื่อทําใจให้สงบได้จะนั่งสมาธิหลังจากกลับมาจากทํางานก็นั่งไม่ได้เพราะใจยังฟุ้งอยู่กับเรื่องงานเรื่องการที่ที่ไปทามา สำหรับผู้ที่ต้องการที่จ ะ, จะเจริญพรหมสัพย์สร้างพรหมสัพย์ขึ้นมานี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปมีวันหยุดทำงานไปอยู่ที่เงียบเงียไปอยู่ตามลาพังเพราะถ้าเราอยู่ตามลาพังแล้วเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้ง่ายถ้าเราเจอคนนั้นเจอคนนี้ก็ต้องพูดคุยกันต้องทักทายกันมันก็หยุดความคิดไม่ได้ ดังนั้นการที่เราจะเจริญรรพรหมรา์ได้นี้เราต้องมีวันหยุดวันว่างจากการทาํางานแล้วก็มีสถานที่ที่สงบยุดที่เราสามารถอยู่ตามลำพังของเราได้คนเดียวถึงจสามารถที่จ ะ, จะเจ ร, ริญพรหมรย์ได้คือทำใจให้สงบเป็นสมาธิให้ได้<ม>เข้าฌานให้ได้ถ้าเข้าฌานได้เราก็จะเข้าสู่รรพรหมรย์คือความสงบนี้แหละคือพย์ของพรหม อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นแล้วเราอยากจะทดลองดูเราก็ทดลองทำในวันหยุดของเราอาทิตย์ละครั้งก่อนแต่การทำอาทิตย์ละครั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะพอเพียงนะอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปสร้างพรหมซาบกันเพียงแต่เราต้องเริ่มต้นต้องหาเวลาวันใดวันหนึ่งมาเริ่มต้นกันก่อน แล้วเมื่อเราทําไปแล้วเราได้ผลดีเรารู้สึกเราได้สัมผัสกับความสงบบ้างถึงแม้ว่าไม่มากแต่รู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการเป็นมนุษย์หรือการเป็นเทวดาแล้วก็มันก็อาจจะทําให้เราเกิดมีศรัทธามากขึ้นมีความยินดีที่อยากจะสร้างพรหมซาบให้มากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มวันวันวั น, ว, น, ว, นวันปฏิบัติ ควรเจริญพรมทรัพย์ให้มีเพิ่มมากขึ้นจากอาทิตย์ละวันเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันแล้วจากนั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มอีกเราก็อาจจะต้องหาวิธีลดการทำงานของเราให้น้อยลงพยายามใช้เงินทองให้น้อยลงไปใช้แบบประหยัดใช้ไม่ฟุ่มเฟือยใช้ใช้เท่าที่จำเป็นถ้าเราใช้เงินน้อยลงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินมาก เราก็สามารถลดเวลาทำงานลงให้น้อยให้น้อยลงได้ถ้าเราเป็นลูกจ้างเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่หา ง, งานที่เป็นอิสระงานที่เราสามารถเลือกวันทำงานได้อาทิตย์หนึ่งเราอยากจะทำกี่วันเราก็เลือกทำได้ถ้าเราอยากจะปฏิบัติอาทิตย์ละสามวันเราก็ทำงานสี่วันถ้าเราอยากปฏิบัติสี่วันเราก็ลดการทางานเหลือสามวันลงไปอันนี้ เราต้องปรับตัวของเราเองถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ภายในที่เลิศดที่วิเศษที่มีอยู่สองระดับที่เรายังไม่ที่เราไม่สามารถสร้างได้ด้วยด้วยการทำงานควบคู่กันไป mm hmm. อนอกจากพรหมท ร, รัพย์แล้วอริยท ร, รัพย์ก็เช่นเดียวกันอริยท ร, รัพย์ก็เป็นท ร, รัพย์ต่อจากพรหมท ร, รัพย์อีกทีก่อนที่เราจะไปถึงพรหมท ร, รัพย์ได้เราก็ก่อนที่เราจะไปถึงอริยท ร, รัพย์ได้เราก็ต้องสร้างพรหมท ร, รัพย์ขึ้นมาก่อน mm hmm. แล้วเราก็ต้องมีวันหยุดมีเวลาให้กับการปฏิบัติกับการสร้างพรหมซั์ขึ้นมานี่คือความหมายของการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้พุทธให้พุทธาศาสนานิกชนที่มีความปรารถนาที่อยากจะเจริญรับภายในนี้จะได้มีโอกาสมีเวลาได้สร้างรับภายในกันได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการได้สร้างรั์ภายในขึ้นมา วาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นของที่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่นางกายของเราตาหูจมูกนิ้วมือของเรานี้เป็นของที่ไม่จีรังถาวรไม่ยั่งยืนไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขให้กับเราได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขด้วยพรหมรั์ ด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิด้วยการรักษาศีลแปดได้เราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกาย<ม>เราก็ยังจะสามารถมีความสุขได้เวลาที่ร่างกายของเราไม่เป็นปกติเวลาที่ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการต<ม>าหูจมูกลิ้นกายอาจจะไม่สมประกอบ<ม>แต่เราก็ยังสามารถที่จะมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขจาก พรหมมาซับนันเองดังนั้นถ้าเรายังไม่เคยสร้างพรหมมาซย์กันขึ้นมาเราก็ควรที่ควรที่จะมาลองสร้างกันดูสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้จําเป็นเพราะว่าจะจะคอยห้ามไม่ให้ใจไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองซึ่งเป็นความสุขของเทพของมนุษย์ ที่เป็นความสุขที่ต่ำกว่าความสุขที่จะได้จากความสงบความสงบกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไปด้วยกันไม่ได้มันต้องแยกกันต้องเลือกกันว่าจะเอาความสุขแบบไหนถ้าจะเอาความสุขทางกายก็จะไม่สามารถเอาความสุขจากความสงบทางใจได้ถ้าอยากจะได้ความสงบความสุขทางใจก็ต้องหยุดการหาความสุขหาความสุขทางร่างกาย การจะหาการจะหยุดการหาความสุขทางร่างกายได้ก็ต้องถึงศินแปดกันสินแปดก็มีเพิ่มสามข้อเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อแล้วก็เปลี่ยนศินข้อสามาเป็นอ บ, บ ร, รมจาริยาสินห้านี้อนุ ญ, ญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้แต่ศินแปดนี้จะไม่ให้เราร่วมหลับนอนกันอ บ, บ ร, รมจาริยก็คือให้เรา ถือการระพุทธพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้กับคู่ครองของเราแล้วก็มาเพิ่มสินข้อ6คือให้เราลดการหาความสุขจากการดื่มการรับประทานเอาแค่พอเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่าไปหาความสุขตามความอยากต่างๆอยากจะกินอยากจะดื่มเมื่อไหร่เวลาใดถ้าถือสินห้านี้ทาได้ไม่มีข้อห้าม แต่ถ้ามาถือสินตัแล้วนี้จะทำไม่ได้จะห้ามหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เรามาหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานนี้เอาไปใช้ให้ใช้กับการสร้างความสงบให้กับใจการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบถ้าเราดื่มเรากินตามที่เราต้องการเราจะไม่มีเวลาที่จะไปเจริญสติไปนั่งสมาธิกัน เพราะใจเราจะคิดแต่เรื่องกินเรื่องดื่มอยู่เรื่อยพออยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มเวลากินและดื่มมากๆขึ้นมาก็ทำให้เรามีความเกลียดค้านมีความง่วงนอนเวลาจะนั่งสมาธิเวลาจะเดินจงกรมนี้ก็จะเดินไม่ไหวนั่งสมาธิก็จะนั่งหลับกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถือศีลข้อหกนี้เพื่อช่วยบรรเทาอุปสรรคในการที่จะมาเจริญ สติเพื่อนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบถ้ารับประทานอาหารพอประมาณนี้ร่างกายจะไม่ง่วงนอนมาก <m uch ing> เวลาเดินจงกรมก็จะไม่ขี้เกียจเวลานั่งสมาธิก็ไม่สับปนะท่านที่ฝึกสมาธิแล้วพบกับปัญหาเรื่องของความความสับระงงความง่วงนอนนี้ก็เป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารมากเกินไปคนที่จะลดอาหารลงให้ใหน้อยลงไป เอาพอให้ร่างกายพออยู่ได้ก็พอเพื่อกินเพื่อดับความหิวอย่าไปกินเพื่อดับความอยากถ้าดับความอยากนะกินกินกี่ครั้งก็ดับไม่ก็ดับไม่หมดเพราะดับได้เดี๋ยวเดียวพออยากก็กินพอกินเสร็จเดี๋ยวสักพักก็อยากกินขึ้นม า, มาใหม่ถ้ากินแบบนี้แล้วมันจะทำให้กินมากเกินไปจะทำให้ร่างกายง่วงเหงาเหานอนแม่นั่งสมาธิก็นั่งหลับสับประงบ เวลาเดินชมกลมก็ไม่มีแรงที่จะเดินที่เกียนเลยอยากจะนอนมากกว่าอันนี้คือศินข้อที่หกเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปติดกับการรับประทานอาหารตามความอยากให้กินตามความจําเป็นกินเท่าที่่างพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอกินมื้อสองมื้อนี่ก็อยู่ได้นะไม่ตายรับประกันได้ พระสําหรับพระนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ใ ห, ให้ถือทุดงเขวัตก็คือให้ให้ฉันมือเดียวฉันมือเดียวก็พออย่างที่นี่วัดนี้ก็มีพระถือทุดงกันฉันมือเดียวกันก็อยู่ได้กันมาไม่หิวไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไรกับทําให้ร่างกายนี้ไม่ง่วงเหงาเหงานอนทําให้ร่างกายนี้มีกำมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาการเจริญสตินี้ต้องมีการตื่นตัว ถึงจะเจริญสติได้แล้วก็ให้เราถือศีลข้อเจก็คือให้เราละเว้นจากการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากมุกเครื่องมหัศพบันเทิงต่างๆอย่าไปดูหนังฟังเพลงร้องลําทําเพลงอย่าไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆรางานต่างๆงานมันเกิดงานเลี้ยงงานแต่งงานเลื้ยงานอะไรต่างๆให้ยกเลิกหมดไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยงามหรือใช้เครื่องสําองน้ํามันน้ําหอมต่างๆมาเสริมความงามของร่างกายอันนี้มันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ <c oughs> ไม่ยั่งยืนแล้วจะทําให้เราเสียเวลาของการปฏิบัติสตินั่งสมาธิไปเราอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขเหล่านี้ เอาเวลามาเอาความสุขจากการเดินโยมนั่งสมาธิไหว้พระ ส, สวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมจะดีกว่าแล้วสิ่งข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีที่นอนไม่มากก็คืออย่าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงสำาราญเตียงที่สุขสบายนอนบนเตียงที่ไม่มีฟูกเป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อหรือนอนกับพื้นก็ได้ถ้านอนแบบนี้แล้วมันจะนอนไม่นานเพราะมันไม่สบาย แต่ละร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะรีบลุกขึ้นมาเพื่อจะได้มานั่งสมาธิหรือมาเดินจงกรมต่อ น, นั่นเอง <Yeah. S 1> อั น, นี้คือศินข้อที่แปดสินแปดข้อด้วยกันที่เราจําเป็นที่จะต้องรักษากันถ้าเราอยากจะสร้างพลมัสซับขึ้นมาคือความสงบสุขของใจที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิกัน <Yeah. S 1> พอเราถือศินแปดได้เราก็ไปหาที่ ที่เงียบๆที่ไม่มีใครมารบกวนใจเราอยู่คนเดียวแล้วก็เอาเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเจริญสติคอยควบคุมความคิดการจะควบคุมความคิดนี่เราต้องมีสติอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นมีพุทธานุสติก็ให้เราเลึกราลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นนี้เราบริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียง ลืมตาขึ้นมาถ้าเราไม่มีพุทธโธนี้ใจจะเริ่มคิดเลยคิดว่าจะไปทําอะไรดีจะจะไปนู่นมานี่ไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงวันนี้ทันทีเราก็ต้องพยายามยับยั้งความคิดเหล่านี้ด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นการจเจริญพุทธานุสติพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอยู่ภายในใจไม่ว่าเราจะไปทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายเรา เช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวร <c oughs> ับประทานอาหารทำความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านขวาดที่พักอาศัยหรือซักเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามขณะที่เราทำภารกิจเหล่านี้ก็ให้มีพุทโธพุทโธกำกับใจอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าเราสามารถควบคุมใจได้เวลาที่เรามานั่งสมาธิใจเราจะไม่ฟุ้ง ใจเราจะไม่คิดมากแล้วใจเราเข้าสู่จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายได้เร็วและเวลาสงบแล้วก็จะอยู่ได้นานในการที่เรานั่งสมาธิกันยังไม่ได้ผลเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกสติกันมาก่อนเราไม่ได้เจริญสติกันพอถึงเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งเลยพอนั่งปุ๊บใจที่ไม่ได้มีคอยควบคุมความคิดมันก็ปล่อยให้ความคิดคิดไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปอยู่กับพุโทโธได้สองสาม วินาทีก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วดูลมหายใจได้สองสามครั้งก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจึงทำให้เวลานั่งสมาธิไม่เคยเกิดผลขึ้นมาก็เพราะว่าเราไม่มีสติที่มีกำลังพอเพราะเราไม่สร <ต tong. S 2> ้างสติเราไม่ฝึกสติกันก่อนนั่นเองแต่ถ้าเราสร้างสติฝึกสติตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปหรือเรา อีกวิธีหนึ่งที่เราจะสร้างเสด็จขึ้นมาก็คือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือว่าร่างกายตอนนี้กําลังอยู่ในอิริยาบทไหนกําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งก็ดูไปกําลังทําอะไรก็ดูไปกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ดูไปให้อยู่กับร่างกายไปแทนอยู่กับพุโทโธก็ได้แล้วเวลามานั่งสมาธิก็มาดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. ดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออก mm hmm. สำหรัผู้ที่ดูร่างกายเวลาร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวเวลานั่งล่างกายนั่งเฉยๆก็ให้ดูลมหายใจเท่าออกไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เ ข, เข้าสู่ความนิ่งความสุขความสบายจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่านัตติสันติป ร, รังสุขขงังความสุขที่เหนือกว่าความสุขของรูปเสียงกลิ่นรส ี่นว่าความสุขของเทพที่เหนือกว่าความสุขของมนุษย์ก็คือความสุขของพรหมความสุขที่มีมีน้ำหนักมากเพียงแต่ว่าความสุขของพรหมนี้ยังเป็นความสุขชั่วขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนี้ใหม่ก็ต้องกลับเข้าสมาธิใหม่ ว่ต้องเข้าออกเข้าออกสมาธิอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสงบความสุขที่เกิดจากสงบแบบถาวรนี้เราก็ต้องเลื่อนระดับของการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกอีกชั้นหนึ่งคือเราต้องไปสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาถ้าเราสร้างอริยทรัพย์ได้นี่เราจะสามารถทําความสงบของใจนี้ให้เป็นความสงบที่ถาวรได้อริยทรัพย์นี้ก็มีแบ่งไว้สี่ระดับด้วยกัน เรียกว่าโสดาปฏิมโ า, โาโสดาโสดาโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอาหารหันอันนี้เป็นความสงบที่ที่ถาวรตามขั้นตอนของแต่ละขั้นที่จะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องทําให้เกิดความสงบที่ถาวรที่ไม่เสื่อมหลังจากโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิถ้ามีปัญญาปัญญานี้แหละจะเป็นผู้ที่จะรักษาความสงบ ที่เราได้จากสมาธิเวลาออกจากสมาธิถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถรักษาความสงบที่เราได้จากสมาธิให้อยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญานี่สมาธิเราได้ความสุขที่เราได้จากสมาธิมันจะค่อยจางหายไปแล้วถ้าเราอยากจะได้ใหม่เราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่แต่ถ้าเรามามาศึกษาทางปัญญาเพื่อให้รู้วิธี ใช้ปัญญามาป้องกันรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิว่ารักษาอย่างไรก็ให้รู้ว่าความสงบของใจนี้ที่มันหายไปก็เพราะเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาทันทีใจจะเริ่มร้อนขึ้นมาทันทีใจจะไม่สงบใจจะไม่เย็น ถ้าอยากจะให้ใจเย็นต่อไปเหมือนกับใขนขณะที่นั่งสมาธิก็ต้อ ง, งระงับกิเลสตัณหาให้ได้และการที่จะระงับกิเลสตัณหาความอยากได้ก็ต้องให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งต่างๆเช่นราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดความสุขจากการได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่การความสุขที่ได้ยศได้ตําแหน่งหรือได้การสรรเสริญยนยนี้ ร้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนซึ่งมันอาจจะสามารถเปลี่ยนไปหรือหมดไปได้เวลาสิ่งที่เราให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ในใจเราก็คือความเศร้าความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะเจอความเศร้าความทุกข์จากจากการสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราก็อย่าไปหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเรา อย่าไปหาลาภยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปหาความสุขจากร่างกายอย่าไปหาความสุขจากเวทนาอย่าไปหาความสุขจากธรรมอารมณ์ต่างๆเราต้องปล่อยหมดอย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราให้เราอยู่เฉยๆด้วยด้วยความปราศจากความอยากเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันให้แค่ชั่วคราว เวลามันหมดไปมันก็จะทําให้เราเศร้าถ้าเราไม่อยากจะเศร้าก็อย่าไปมีมันดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่กับความว่างนั้นดีที่สุดความว่างนี่แหละไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจสิ่งอระนินี้มันมีพิษเพราะว่ามันเป็นของชั่วกลาวมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดานี่เราคือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะทําให้เราได้อริยะซัพย์ขึ้นมาซึ่งจะเป็นทรับฐาวนวรนถ้าเราถึงขั้นสูงสุดเกิดขั้นของพอระอรหันต ใจของเราก็จะสงบตลอดเวลาอิ่มตลอดเวลาไม่หิวกับอะไรตลอดเวลาไม่อยากได้อะไรตลอดเวลาเมื่อไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องมีการต้องมาเกิดเด็กต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปนี่คือทรัพย์ระดับที่สูงสุดหรือผลที่เราจะได้รับจากทรัพย์ที่ระดับที่สูงสุดนี้ก็คือการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ได้เป็นสิ mm ่ง hmm. ที have, what, like like ่พวกเราทุกคนนี้สามารถทำกันได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ดีพระอรหันตสาวกพระอริยสงสาวกทั้งหลายทั้งหลายก็ดีนี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็เป็นคนที่มีกิเลสตัญหาเหมือนกับพวกเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่ว่าท่านโชคดีที่ได้เจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิด ยิ่รู้จักวิธีสร้างทรัพย์ภายในต่างๆท่านก็มีศรัทธาความเชื่อก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อปฏิบัติไปจิตใจก็พัฒนาสูงขึ้นไปจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลตามลําดับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคาลวะผู้ค่องเรือนขอให้มีศรัทธาความเชื่อและให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเท่านั้น ก็จะได้ผลอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของทรัพย์สองชนิดที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาเรวาหาปุราปรลิกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุ ป, ปกัปติเอติตังปฏทิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาราโสยธามนิชตเดาราโสยธาสัพพ e ิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควิน ok ัสตุมัตเตปวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวะ พิวาทนสีหลิตสนิจางอุทธาพจายีโนจตารวธรรมวะทาติอายุวโนสุข้างพาลัช่วงต่อเปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามถ้าอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะเข้ามาถามเองก็ได้ หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจหรือทาง YouTube ก็ได้ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 520ท่านยูทูปพระสุชาติไลฟ์274ท่าน YouTube, v, y o u t u ด e อรวีห้าสิบเก้าท่านวิทยุออนไลน์สิบสองท่านคลับเฮาส์เก้าท่านนากุติร้อยสาสิบสาท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ท่านครับอาจารย์เชิญถามได้เลยท่านทถามมีคำถามจากทางนากุตินะคะทั้งหมดสี่ข้อค่ะ ข้อแรกเริ่มภาวนาด้วยบริกรรมพุโทโธตอนเริ่มจะรู้สึกแน่นๆจิตไม่ค่อยสบายอึดอัดเลยบริกรรมควบคู่กับลมหายใจคือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ไม่สนใจลมสนใจแต่พุโทโธทําไปเรื่อยๆจนเหลือแต่พุโทโธเฉยๆจิตสบายขึ้นทําถูกต้องไหมครับขอคําแนะนําด้วยครับถูกต้องใช้ได้ทําแล้วให้ใจสบายทําให้ใจสงบ ถ้าบางคนก็ใช้การสวดมวนต์ก่อนก็ได้สวดมวนต์ไปก่อนถ้านั่งแล้วรู้สึกเวียดอัดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับนมไม่ได้ก็สวดมวนต์ไปก่อนสวดไปจนรู้สึกสบายแล้วก็หยุดสวดแล้วก็ดูนมหรือพุโทโธต่อก่อนข้อ2ค่ะพอจิตมีแรงขึ้นก็ออกจากสมาธิยกร่างกายมาพิจารณาพิจารณาปฏิกูลอสุภะทำถูกไหมครับ การจะออกจากสมาธินี้ต้องให้มันออกมาเองจะดีกว่าอย่าไปดึงมันออกมาเวลาเข้าสมาธิแล้วนี่อยากจะให้มันอยู่ในสมาธินานๆพราะเป็นเหมือนกับการชาร์ตแบตเตอรี่ถ้าไม่ไม่ไม่ชาร์ตนานๆเดี๋ยวออกมาใช้งานใช้ได้เดี๋ยวเๆอ่าฉะนั้นเวลาอยู่ในสมาธินี้อย่าไปดึงใจออกจากสมาธิรอให้มันออกมาเองพอมันออกจากสมาธิมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดทางปัญญาได้ ข้อสามค่ะพิจารณาอสุภะท่านให้ทำเนืองคือพิจารณาบ่อยๆเวลาออกจากสมาธิวันละหลายๆครั้งก็ได้ในทุกอิรยาบทยืนเดินนั่งและนอนถูกไหมครับพยายามให้มันเห็นอยู่ตลอดเวลามองเห็นร่างกายใครก็เห็นอาการสาสิบสองเห็นซากศพอย่างนี้ให้มันติดใจกับเราไปแล้วก็ต้องเอามาใช้เวลาที่มันเกิดการอารมณ์ขึ้นมา ถ้าดูแล้วแต่เวลาถึงมีการอารมณ์ก็ไม่ได้ออมาใช้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ทันก็แสดงว่ายังไม่พ อ, อยังพิจารณาไม่พอเราพิจารณาจนกระทั่งมันทันกับเวลากิเลสมันโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้กรรมฐานนี้มาดับมันทันทีข้อสี่ค่ะมักเข้าใจว่าต้องบริกรรมพุทโทธถึงจะได้บุญถ้าพิจารณานึกภาพอสุภะหรือโศกอย่างนี้ถือว่าได้บุญไหมครับ ได้ทั้งสองอย่างนะบุญถ้าพุโทโธก็ได้บุญในระดับสมาธิความสงบถ้าพิจนาทรากศพอสุภะนี่ก็ได้ระดับปัญญาวิปัสสนาจากคุณทีคทาทนาค่ะคำถามทำไมจิตถึงไหลไปสู่แต่ความทุกข์เจ้าคะถ้าเรารู้สึกตัวก็จะพ้นทุกข์ในทันทีคือต้องใช้ปัญญามองเห็นความจริงใช่ไหมเจ้าคะใช่ขาดเจติขาดปัญญา การสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไหลไปทางความความทุกข์การปัญญาไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เป็นทางไหนคิดว่าเป็นความสุขกันส่วนใหญ่เราคิดว่าราบยศเสริญเงินทองเข้าของนี่เป็นความสุขใจเราก็จะไหลไปหาสิ่งเหล่านี้พอหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจากท่านไม่ที่ไม่ประสงค์ <S <S ออกนามค่ะก่อนนั่งสมาธิจาเป็นต้องสวดมนต์ก่อนหรือไม่เจ้าคะ ถ้านั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดถ้ายังนั่งไม่ได้ก็สวดมนในท่าสมาธิเลยไม่ต้องไม่ต้องนั่งแบบพนมมือนั่งขัดสมาหลับตาแล้วก็สวดไปเรื่อยๆสวดจนรู้สึกว่าใจเบาสบายสามารถนั่งสมาธิดูลมได้หรือพุโทโธได้ก็หยุดสวดได้จากคุณศรัทธาแห่งพุทธาค่ะเวลานั่งสมาธิถ้าเราไม่ภาวนาพุโทโธแต่เราใช้ภาวนาสวดคาถาชินบัญชรจะได้ไหมครับได้ได้ ส่วนบทไหนก็ได้สวนอิติปิโสก็ได้ส่วนธรรมาจากก็ได้ส่วนมหาสติปฐานสตรก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ก็เป็นการเจริญสติแบบแบบหยาบๆก่อนจากทาง YouTube ค่ะน้อมกาบสาธุพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติฝึกสินแปดอยู่ที่บ้านเวลาทำงานให้พู้โทรหรือดูร่างเคลื่อนไหวค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ ได้ทั้งสองอย่างพุทโธก็ได้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ข้อสำคัญก็คืออย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆท่านต่อไปคะ่ะการพิจารณาทางด้านปัญญาอนิจจังทุกขังแล้วก็นัตตาเราต้องผ่านการฝึกสติและสมาธิพื้นฐานให้ได้ก่อนใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังพิจารณาใจเรามันจะถูกกิเลสดึงไปคิดเรื่องอื่นแทน แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเราจะไม่ไม่ไหลไปตามกระแสของกิเลสได้ง่ายเราสามารถดึงใจมาคิดทางปัญญาได้ไ<ง>อันนี้ยังไม่มีค่ะก่อนจะไปทางปัญญาจึงจาเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธินี้กิเลสมันจะมีกำลังมากแล้วมันจะดึงเราไปคิดทางกิเลสให้เราอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากจะไปซื้อข้าวซื้อของไปกินไปดื่มไปอะไรต่าง พรใจมันไม่มีมันไม่มีความสุขในตัวมันหิวแต่เวลาใจสงบนี้ใจมันอิ่มมันมีความสุขในตัวมันก็เลยไม่ค่อยคิดถึงการที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับมันเราก็เลยสามารถเอาใจที่ที่อิ่มที่มีความสุ ข, ขนี้มาคิดทางปัญญาได้เห็นต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆก่อนไม่ต้องรีบร้อนไปทางปัญญาปัญญาเราตอนนี้ก็มีพอสมควรแล้วแต่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ เวลาเกิดความโลภ ก, ก็หยุดความโลภไม่ได้เวลาเกิดความโกรธก็หยุดความโกรธไม่ได้เพราะใจเราไม่มีกำลังใจเราไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาปัญญาจะทำเมืองานตามลำพังโดยไม่มีสมาธิจะจะไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับ ส, สู้กับกิเลสได้คำถามจากทางหน้ากุฏิคะ่ะ ภาวนาแล้วบางครั้งมีอาการมาแมลงไต่บนใบหน้าไต่ามาที่จมกูกแล้วก็ไปที่คางจนถึงหูจะเอามือมาปัดทุกครั้งแบบนี้คือขาดสติใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนกันเริ่มต้นใหม่เวลาเราเริ่มภาวนาแล้วก็ทิ้งร่างกายไปเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายอาคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จยากเกินน้ําลายแล้วนี้อย่าไปทำปล่อยมัน ท้ำลายจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวเลิกสมาธินั่งแล้วมาเช็ดมันก็ได้ไม่ต้องอยากอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายพอเราเริ่มภาวนาแล้วพอเราเริ่มต้นพุโทโธพุโทโธรู้ ด, ดูลมแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไปปล่อยให้มันเป็นไปถ้าเราเกาะติดอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปเองจัดพันธ์เดิมค่ะทุกครั้งที่เอามือมาแตะที่ที่หูกลัวมดเข้าหูแต่ก็ไม่มีมดหรือมแมลงเลยเจ้าค่ะ กอเป็นอุปทานใจปรุงแต่งขึ้นมาเองนั่นเองท่านต่อไปค่ะถ้าเราสนใจทำสมาธิจึงควรไปเรียนหรืออบรมหรือฝึกเองเจ้าคะก็ถ้าเราไม่รู้วิธีนั่งสมาธิก็เรียนมันง่ายจะตายไปวิธีนั่งสมาธิก็อย่างที่พูดคือให้มีฝึกสติให้มีพุโทโธหรือมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวันตลอดเวลา ถ้าเวลานั่งก็นั่งดูลมก็ได้นั่งพุทโธก็ได้ท่านนั้นเองนี่ก็คือวิธีเรียนและเรียนเรียนสมาธิมันง่ายนิดเดียวแต่ปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันยากปฏิบัติตามที่เราเรียนมาได้นี่มันยาก<ม>อยู่ที่การปฏิบัติแต่ก็ต้องรู้จักวิธีการฝึกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกันว่าปฏิบัติอย่างไงก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาทั้งขณะที่เราไม่ได้นั่งและขณะที่เรานั่ง ขณะที่เราไม่นั่งก็ต้องพูดโทรไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปพอเวลามานั่งเราก็พูดโทรต่อหรือดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้อันนี้ก็ก็จกแล้วไม่มีอะไรมากกว่า น, นี้สำหรับการเรียนสมาธิาไม่มีอะไรนะานการปฏิบัติดยไม่มีโดยไม่เรียนรู้วิธีที่ถูกต้องมันก็จะปฏิบัติแล้วผิดผิดถูกๆ แล้วการเรียนนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรียนเพียงครั้งเดียวเรียนครั้งแรกแล้วเราปฏิบัติไปแล้วเราสงสัยแล้วก็กลับมาถามต่อ<ม>เรียนไปปฏิบัติไปควบคู่กันไปพอทําอย่างนี้แล้วรู้สึกเกิดผลอย่างนี้ถูกไห ม, มทำอย่างนี้อย่างเมื่อกี้เทีน่คนมาถามว่านั่งสมาธิแล้วคันตรงนั้นคันตรงนี้จะให้ทําอย่างไร<ม>อันนี้ก็ต้องมาเรียนต่อถ้ามีอะไรก็สงสัยไม่รู้จะทําวิธีปฏิบัติว่าถูกต้องทำอย่างไร ก็มาถามต่อมาเรียนต่อต้องเรียนไปควบคู่กับการปฏิบัติเพราะเวลาปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาในขณะที่เราปฏิบัติซึ่งเราก็อาจจะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องทำอย่างไรก็ต้องเรียนไปต้องเรียนไปปฏิบัติควบคู่กันไปด้จากทาง y u t u b e ค่ะถ้านั่งสมาธิ ยุงกัดควรปล่อยไปเลยถึงแม้อาจจะป่วยจากยุงกัดหรือเปล่าคะกเคว่าบ่อยจากเลือดไปก็แล้วกันนิดเดียวเนี่ยยึกเดียวให้ถ้ามันถ้ามันจะติดโรคมันก็ติดแล้วล่ะเพราะมันกัดเราแล้วใช่ไหมถ้าปล่อยมันกัดให้มันเต็มที่ถ้าปล่อยให้มันกินเนเต็มที่นี่เวลามันมันไปนี่มันไม่ทิ้งความความเจ็บไว้นะแต่ถ้ามันมันไปไล่มันมันตกใจนี่มันปล่อยเพลิดออกมา มันทําให้รู้สึกคันขึ้นมางั้นมื่อรู้สึกว่าจะถูกมันกัดแล้วก็ปล่อยมันกัดไปให้มันเต็มที่ให้มันอิ่เลยพอมันอิ่มแล้วมันก็มันก็จะบินออกไปโดยที่ไม่ทิ้งพิษไว้ให้กับเราเราก็ไม่รู้สึกคันใดอย่างใดจากคุณเจ๊ดาวค่ะวันพร้าไม่ได้ไปวัดแต่สวดบุญปฏิบัติอยู่ที่บ้านอย่างนี้ญาติญาติที่ล่วงลับจะได้บุญไหมเจ้าคะยากเพราะว่าบุญที่เราทําปฏิบัตินี้ยังไม่เกิดเต็มที่ะ บุญที่เกิดจากส่วนมนุ์บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่ยังไม่ค่อยยังไม่ได้เกิดอ่ะมันยังไม่สงบใจยังไม่สงบยั้นถ้าอยากจะแบ่งบุญให้กับผู้ร่วงรับไปแล้ ว, ลวก็ทําทานทําบุญทําทานใส่บาตรอะไรบุญเกิดขึ้นทันทีเมื่อกี้มาถวายของนี่บุญเกิดขึ้นทันทีแต่ น, นั่งสมาธิเกือบชั่วโมงนี้ยังบุญยังอาจจะไม่เกิดเพราะใจมันยังไม่สงบไม่มีแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหม เดี๋ยวถ้าเลิกก็อยากเข้ามาถามนะเชิญเข้ามาจ้าถ้ามีอะไรก็เข้ามาถามได้ผู้ที่ไมโครโฟ น, นลเลยปุยใกล้ปากหน่อยหนูไม่หนูพอดีวันนี้ว่าเป็นวันเกิดหนูหนูขอขอพรวันเกิดจากพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ขอให้แม่ขอให้แม่มาเกิดอีกต่อไปหนูปรารถนามากเลยเจ้าค่ะจะเกิด<อ>เลยนะ การเกิดไม่ดีขอให้ขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะโอเคมีจากทางยูทูบค่ะกับนมัส ก, การเจ้าค่ะนั่งสมาธิท่องพุทโธไปสักพักเหมือนใจตกจากที่สูงแล้วใจก็นิ่งพุทโธก็หายให้ใจอยู่กับ ให้ใจอยู่กับความยิ่งเป็นนานๆใช่ไหมคะอย่าพึ่งออกจากสมาธิถูกต้องไหมคะถูกต้องให้อยู่นานๆใช้สติรักษาประครับประคองไว้ให้รู้เฉยๆเข้าดูเฉยๆไปแล้วถ้ามันจะออกมาถ้าอยากจะให้มันอยู่ต่อก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธใหม่หรือดูลมหายใจใหม่เข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ฝึอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนไปทางปัญญาปัญญามันต้องมีสติมีสมาธิที่แก่กล้า พอเราต้องพิจารณามากๆนะเจตนสุภานี้เราต้องพิจารณาเกือบทั้งวันเลยไม่ให้มันหลงแม่ให้นลืมเห็นเห็นร่างกายทีไรต้องเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงอะไรต่างๆนี่ซึ่มันไม่ใช่เป็นของที่เราจะทําได้แบบตุ๊กปับ๊บมันต้องใช้เวลาฝึกฝนเหมือนกับการที่เราใช้เปลี่ยนมือของเราเนี่ยเราเคยถนัดมือขวาแล้วเราต้องมาหัดใช้มือซ้ายเนี่ยมันต้องหัดใช้ไปเรื่อยๆมันถึงจะชนานาญ ถ้ามาหัดมาใช้ ท, ที่ทั้งของทั้งมันมันใช้ไม่ชำนาญหรอกแต่ถ้าเราจําเป็นต้องใช้มือซ้ายเราหัดใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปทั้งวันต่อไปมันก็จะชํานาญเหมือนกันมือขวาไม่มีจะขาดใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงเอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจทนะิจารณาไปปฏิบัติ